จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29่ธันวาคมพุทธศักราช2556หบเป็นวันใกล้วันสิ้นปีที่จะมาถึงในสองวันข้างหน้าจึงเป็นวัน เป็นโอกาสที่ดีที่เราควรยกเอาพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจดไว้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากพวกเราไปเรียกว่าพระปฏิบัชชิหมู่ว่าซึ่งมีข้อความดังนี้สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยม จงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเช่นร่างกายของพวกเราที่เกิดมาแล้วก็จะต้องค่อยๆแก่เจ็บแล้วก็ตายไปในที่สุดดังนั้นก่อนที่เราจะแก่ ก่อนที่เราจะเจ็บก่อนที่เราจะตายเราควรใช้เวลาที่เรามีอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและกับผู้อื่นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทอะไรที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ที่พูดถึงนี้ก็คือประโยชน์ทางด้านจิตใจ ประโยชน์ทางด้านร่างกายนี้ไม่มีคุณค่าราคาเหมือนกับประโยชน์ทางจิตใจเพราะประโยชน์ทางร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวพอร่างกายตายไปประโยชน์ที่ได้กับร่างกายก็จะหมดสภาพไปแต่ประโยชน์ที่ทําให้กับจิตใจนี้จะติดไปกับจิตใจ อย่าไม่สูญไปเหมือนกับประโยชน์ของทางร่างกายประโยชน์ทางร่างกายก็คือลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกยิ้นกายที่เป็นของชั่วคราวไม่นานก็จะต้องหมดสภาพไปเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็จากเขาไปก่อนแต่ประโยชน์สุขทางจิตใจ คือใจิตใจที่มีภพชาติที่ดีขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ขั้นมนุษย์ขึ้นไปสู่ขั้นเทพสู่ขั้นพรหมสู่ขั้นอริยบุคคลอันนี้จะติดไปกับใจถ้าเราสร้างประโยชน์เหล่านี้เราจะไม่สูญเสียประโยชน์เหล่านี้ไปถ้าเราสร้าง สวรรค์สร้างความเป็นเทวดาเป็นเทพให้แกบจิตใจความเป็นเทวดาความเป็นเทพนี้ก็จะติดไปกับจิตใจสร้างความเป็นพรหมให้แก่จิตใจพรหมนี้ก็จะติดไปกับจิตใจสร้างความเป็นอริยบุคคลขั้นต่างๆก็จะติดไปกับใจไม่มีวันสูญหายไปเหมือนกับ นาพยศสรรเสริญเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราได้สัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นข้าวของต่างๆบุคคลต่างๆเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราจะต้องจากกันไปถ้าพูดเป็นทซั์ก็เป็นทรัพย์ปลอมไม่ใช่เป็นทรัพย์แท้ทรัพย์แท้สมบัติแท้ ต้องเป็นทรัพย์ภายในสมผัสสมบัติภายในที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเหมั่นตัวเตือนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าสังขารร่างกายของเรานี่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจะแก่ลงไปเรื่อยๆ แล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไหนที่สุดก็จะต้องตายไปเวลานี้เรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายเรามีโอกาสที่จะสามารถทำประโยชน์ให้กับตัวเราและกับผู้อื่นได้จึงอย่าปล่อยให้ความหลงหลอกลากให้เรา ไปทำประโยชน์ทางร่างกายมากสนเกินไปทำพอความจำเป็นก็พ อ, อพอมีพอกินก็พอแล้วอย่าไปหลงกับความร่ำรวยหลงกับความเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจมีวาสนามีบริษัทมีบริวารวาอะไรต่างๆเพราะว่าเป็นสมบัติชั่วคราว ให้เรามาสร้างสมบัติที่ถาวรที่จะไปกับใจของเราดีกว่าสร้างสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นมรผลนิพานที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้มีเป็นสมบัติกันถ้าเรามีสมบัติเหล่านี้เราก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ ถ้าเราไม่สร้างสมบัติเหล่านี้แล้วกลับไปทำบาปทำกรรม mm hmm. เราก็จะต้องไปรับใช้ผลบาปผลกรรมในอบายไปทุกข์กับการเป็นเดรัจฉานทุกข์กับการเป็นเปรตทุกข์กับการต้องไปตกนรกให้ไฟนรกเผาผลาญจิตใจอันนี้เป็นสัจธรรมความจริง ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปแล้วนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังหูหนวกตาบอดยังมองไม่เห็นนรกยังมองไม่เห็นสวรรค์ยังมองไม่เห็นเหตุที่ทําให้เกิดสวรรค์ยังมองไม่เห็นเหตุที่ทําให้เกิดนรกขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอน พวกเราก็จะสร้างเหตุที่เราไม่อยากจะสร้างกันเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อทำไปแล้วมันจะมีเหตุที่เราไม่ปรารถนาตามมาเช่นการทำบาปเช่นการเสพอบายามุขต่างๆทำบาปก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด โหกลอกลวงเศระบายามุก็คือสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกลียดคราสนี่เป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำทำให้ชีวิตของเรามีความทุกข์เพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆไม่ใช่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงทำให้ความสุขมากขึ้น แต่จะทำให้ความสุขน้อยลงมีความทุกข์มากขึ้น่างนั้นพวกเราต้องฟังนักปราบอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นเหมือนคนตาดีพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดนี้จะต้องอาศัยคนตาดีเวลาจะไปไหนมาไหนถ้าไม่มีคนตาดีพาไปจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ถ้ า, ามีคนตาดีหรืออย่างน้อยมีสุนัขตาดีก็ยังพอที่จะพาเราไปถึงสถานที่ที่เราต้องไปได้เช่นเดียวกับชีวิตของพวกเราพวกเราก็อยากจะไปที่ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเราไม่อยากจะไปที่ที่มีแต่ความเสื่อมมีแต่ความทุกข์ ดังนั้นเราต้องเชื่อคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกของพระพุะตถจ้าผู้ได้เปิดตาบอดของท่านได้รักษาตาบอดของท่านให้หายจนเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนถ้าเราไม่เชื่อคนตาดีแล้วเราจะไปเชื่อใครถ้าเราเชื่อเราเอง เราก็จะเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้เดินไปเตะสิ่งนั้นสิ่งนี้เดินไปตกลุมตกบ่อเพราะเรามองไม่เห็นทางนั่นเองดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเชื่อคนตาดีเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสารที่จะพาให้เรา ไปสู่ทางที่ดีไปสู่ผลที่ดีได้ท่านสอนให้เราอย่าทำบาปอย่าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขอบายามุขนี้จะเป็นตัวที่จะชดลากให้เราไปทำบาปการเลื่อนการป น, นันการเที่ยวกลางคืนการเสพสุรายามังการครบคนไม่ดีเป็นมิตรการครบ การมีความเกียดคร้านสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์กับเรามีแต่จะมีแต่จะดูดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆของเราให้ค่อยๆหมดไปพอเงินทองเราหมดแล้วเราก็จะต้องไปหาเงินทองมาแบบไม่ถูกไม่ถูกศีลถูกธรรมก็คือเรา จะต้องไปลักทรัพย์บ้างไปโกหกหลอกลวงบ้างจะต้องไปฆ่าผู้อื่นบ้างเพื่อที่เราจะได้มีเงินมาเสพอบายามุขต่อไปมีเงินมาซื้อสุรายามามีเงินมาเล่นการพนันมีเงินมาเที่ยวกลางคืนแต่เที่ยวไปแล้วเดี๋ยวก็หมดหมดก็ต้องไปทำบาปเพื่อหาเงินมาอีก ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษติดคุกติดตารางหรือมากกว่านั้นก็ถึงกับปาหารชีวิตตายไปแล้วก็ยังต้องไปติดคุกติดตารางในอบายอีกต่อหนึ่งไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือ ทางไปของผู้ที่เสพอบายามุข ค, คือสุราเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นนิสความเกลียดคร้านอย่าให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะจะดึงให้เราไปทำบาปไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกนวงพระเจ้าสอนให้เราทำประโยชน์ ประโยชน์ก็คือการทำทานทำบุญนี่เองประโยชน์ก็คือการปฏิบัติรำภาวนาทำจิตใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าการกระทำแบบนี้จะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เพราะจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับ เหมือนกับเวลาที่เราไปศึกษาไปเรียนหนังสือเรียนถ้าเราขยันเรียนเราก็จะก้าวขึ้นไปตามลำดับจากปหนึ่งก็ขึ้นไปปอสองปอสองก็ขึ้นปสามถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆไม่หยุดเราก็จะถึงขั้นปริญญาเอกได้ขั้นสูงสุดได้เราก็ต้องเริ่มต้นจากปหนึ่งจากอนุบาลนี่เอง อนุบาลของพวกเราก็คือการทําทานการทําทานก็คือให้เราแบ่งปันสิ่งของต่างๆที่เรามีมากเกินไปที่เราไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เก็บไว้ก็เกะกะบ้านช่องไปเปล่าๆเราก็ไม่ได้ใช้มันให้ผู้อื่นที่เขาจะได้เอาไปทําประโยชน์จะดีกว่า การทำทานนี้แหละเป็นการทำประโยชน์ให้กับตัวเราและทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นที่ได้รับของจากเราเขาก็มีความสุขเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็มีความสุขเกิดขึ้นมาภายในใจอย่างวันนี้ยากโยงก็นำเอาข้าวของต่างๆที่จำเป็นต่อการ บริโภคของนักบวชของพระภิกษุสา ม, มเณรเมื่อได้เอามาถวายแล้วก็ทำให้พระภิกษุสา ม, มเณรนี้มีความสุขไม่อดอยากขาดแคลนมีอาหารรับประทานมีน้ำดื่มมีจีวรไว้นุ่งหม่มมียารักษาโรคไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็จะช่วยบำบัดความทุกข์ บำบุงความสุขให้แก่ผู้อื่นเมื่อเราให้ความสุขแก่คนผู้อื่นความสุขนั้นมันก็จะเกิดขึ้นมาในใจเราพราะเวลาเราเห็นคนอื่นเขามีความสุขจากการกระทําของเราเราก็มีความสุขกันอย่างในช่วงปีใหม่นี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็ส่งความสุขกันส่งของขวัญให้แก่กันและกัน อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำทานเป็นการให้เป็นการแบ่งปันเป็นการเสียสละสละความสุขสละประโยชน์ของเราที่เรามีมากเกินไปแบ่งให้แก่ผู้อื่นดีกว่าเก็บเอาไว้ตายไปก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราแบ่งปันเสียในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะได้เอาความสุขไปกับเรา ความสุขใจนี้เป็นความสุขที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่เราตายไปแล้วร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขใจนี้แหละก็คือสวรรค์นี้เองสวรรค์ น, นี้ไม่ได้เป็นสถานที่อย่างที่เราคิดกันสวรรค์ไม่ใช่อยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ที่สงขลาหรืออยู่ที่ประเทศนั้นอยู่ที่ประเทศนี้สวรรค์นี้อยู่ในใจ ใจที่สุขนี่เรียกว่าสวรรค์ใจที่ทุกข์นี่เรียกว่าอบายเรียกว่านรกผู้ที่สร้างสวรรค์ผู้ที่สร้างนรกก็คือกรรมกรรมก็คือการกระทาของเรานี่เองการกระทาของเรามีอยู่สามทางด้วยกันคือทางกายทางวาจาและทางใจการกระทาทั้งสามนี้มีการกระทาทางใจ เป็นหลักเป็นใหญ่ใหญ่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายก็ะทำเช่นวันนี้สั่งให้มาวัดมาทำบุญมาถวายทานมารักษาสิ่งมาปฏิบัติธรรมเมื่อใจสั่งแล้วร่างกายก็กระทำตามคำสั่งของใจวาจาก็ทำตามคำสั่งของใจเมื่อทำดีพูดดี ความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมาการมาวัดจึงเป็นการมาสร้างสวรรค์ให้แก่เราให้กับใจของเราสวรรค์ที่เป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็คือในขณะที่เรายังมีร่างกายอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเรานี้เป็นสวรรค์ไปแล้วเป็นเทพไปแล้ว ถ้าเราทำทานได้ถ้าเรารักษาศีลได้ใจก็จะเป็นเทพขึ้นมาแล้วถ้าเรามาอยู่วัดถือศีลแปดนั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ใจของเราก็จะเป็นผลมขึ้นมาแล้วถ้าเราเจริญปัญญาได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นอกจากให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วยังให้ความทุกข์อย่างมหาศาลแก่พวกเราทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมาจากลินน้ำลมไฟเป็นธาตุสีมาผสมกัน พอธาตุสี่มารวมกันก็กลายเป็นบุคคลกลายเป็นร่างกายของมนุษย์บ้างของสัตว์บ้างกลายเป็นบ้านกลายเป็นรถลากลายเป็นภูเขาต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทำมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟนี้เองแล้วเมื่อเวลาเสื่อมหมดไป ก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้จเจริญเติบโตด้วยธาตุสี่ก็คืออาหารอาหารก็มาจากดินมาจากน้ำมาจากลมมาจากไฟข้าวที่เรารับประทานากนันนี้ก็ต้องมีดินในน้ำมีลมมีไฟ ถึงจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตขึ้นมาได้ออกรวงข้าวออกมาพอได้ออกรวงข้าวแล้วเราก็ไปเก็บเกี่ยวโรงข้าวโรงข้าวเข้ามาแล้วเราก็มาหุงต้มทำให้โรงข้าวนี้สุกสุกแล้วเราก็รับประทานเข้าไปในร่างกายข้าวที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายก็เอาไปสร้างอาการ32สองภายในร่างกายของเรา เอาไปสร้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสร้างอาวัยวะต่างๆเช่นหัวใจตับปอดลำไส้นี่เป็นอวัยวะอาการ32ของร่างกายที่ได้มาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่ได้จากน้ำที่เราดื่มเข้าไปที่ได้จากลมที่เราหายใจเข้าไปนี่คือเรื่องของธาตุสี ร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้าลมไฟที่ทำให้เกิดเป็นอาการสาสองเช่นผมขนเล็บฟันแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่ต้องจะค่อยๆเสื่อหมหดไป <c oughs> เวลาร่างกายตายไปถ้าทั้งสี่ก็จะแยกทางกันออกไปลมก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งน้ำก็ไปทางหนึ่ง ดินก็ไปทามหนึ่งดินก็เหลือกลายเป็นขี้เถ้าละกลายเป็นเศษกระดูปไปเวลาที่เราไปเอาร่างกายนี้ไปทำชาปนกิจคือเอาไปเผาก็เป็นการเอาไปแยกธาตุสีนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เขาเอารถยนต์ไปแยกชิ้นส่วนต่างๆรถยนต์ที่เสียแล้วขับไม่ได้แล้วเขาก็เอาไปที่โรงแยกชิ้นส่วน เอาอยางไปไว้ที่หนึ่งเอาพลาสติกไว้ที่หนึ่งเอาเหล็กไว้ที่หนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเวลาตายแล้วเราก็ส่งเข้าไปโรงงานแยกชิ้นส่วนก็คือไปเมนนี่เองเมนนี่เป็นที่แยกชิ้นส่วนของธาตุสี่พอเผาแล้วน้ําก็ระเหยหมดไปไฟก็หมดไปอากาศก็หมดไปลมก็หมดไป เหลือแต่ดินก็คือขี่เท่ากับเศษกระดุนี่เองนี่คือร่างกายของพวกเราที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟถ้าเรามีปัญญาเห็นความจริงอย่าง น, นี้แล้วสามารถปล่อยวางความหลงความยึดติดที่ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราได้เราก็จะมีดวง มีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะบรรลุธรรมเราก็จะก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานก้าวเข้าสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการที่เราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เราต้องมีปัญญาถ้ามีแต่สมาธิจะไม่มีความสามารถพอเพราะ ส, ะสมาธินี้เพียงแต่ ย้ำย้งเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำลายให้หมดไปได้ต้องใช้ปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพร า, าะพอเรามองเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรให้ความสุขกับเรามีแต่เป็นเพียงแต่ดินน้าลมไฟ เราก็จะได้ไม่ไปอยากได้ไม่ไปอยากมีไม่ไปอยากเป็นพอเราไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็เหมือนกับรถที่ไม่มีน้ามันนั่นเองเมื่อรถไม่มีน้ํามันรถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ใจของเราถ้าไม่มีน้ํามันคือความอยากใจของเราก็จะไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ไปเกิดเป็นพรหม ไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกต่อไปอันนี้จะต้องเกิดจากการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรักไตรักก็คืออันนี้จำทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยาก การเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่เกิดจากความอยากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะแก่เราต้องทำลายความอยากให้มันหมดไปจากใจของเราการจะทำลายความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ดีเ ป, เป็นโทษเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะ ควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดเช่นร่างกายของเรานี้เราไม่สามารถสั่งให้อยู่กับเราไปได้ตลอดร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็จะต้องจากเราไปเช่นเดียวกับร่างกายของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของลูกของหลานของของญาติสนิทมิตรสายร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ จะต้องไปสู่การสิ่นสุดไปสู่การแยกธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะได้ไม่หลงยึดติดไม่ไไม่อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่จากเราไปพอเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์แล้วพอเราเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นกองทุกข์ เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะไม่อยากจะเกิดอีกต่อไปเมื่อเราไม่เกิดเราก็ไม่ต้องมาแก่มาทุกมาเจ็บมาตายเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันท่านหลุดพ้นด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบ และด้วยการเจริญปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราก็จะต้องทำอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์ที่ดีที่แท้จริงที่เป็นที่พึ่งของเราที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไป พอเราได้รับประโยชน์นี้แล้วเราก็จะได้เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรรมมาในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงสร้างประโยชน์ให้กับตนเองก่อนทรงปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงนำความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์ตามพระองค์ต่อไปพวกเราจึงถือว่ามีบุญมีวาสนามีโชคมากที่ได้มาเกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนคอยบอกทางให้กับพวกเราพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะเลดลอดออกจากวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลย เราจะไม่มีวันเลื่อนลอกจากเงื่อมมือของความทุกข์ได้เลยแต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคาสอนมีพระอริยสงสาวุที่จะคอยพาเราไปแล้วขอให้เราเชื่อและปฏิบัติตามเถิดแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะได้พบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริง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 โดยทัวหน้ากันเถอ